มีมากน้อยสันโดดก็ยินดีตามมีตามเกิดทำงานไปได้มากได้น้อยก็พอใจค้าขายวันนี้กำไรสิบเปอร์เซ็นตก็พอใจตรงนี้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นก็พอใจมาเลนนี้ขาดทุนไปสิบเปอร์เซ็นก็พอใจตราบใดที่ยังมี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 ด้วยการไปทําบาปช่อโกงอันนี้ก็จะได้ไม่คุ้มเสียได้ของชั่วกาามาดูแลของชั่วเก่าแต่ได้โทษได้ภัยมาทําลายของถาวรมาสร้างทุกข์สร้างพบชาติที่ไม่ดีให้แก่จิตใจนี่คือ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 พยายามเหล็กเลี่ยงการกระทําที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์หรือเป็นโทษแก่จิตใจเช่นการเสพอ บ, บายมุกต่างๆการดื่มสุรายามเมาการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันการครบคนไม่ดีเป็นเมิตรคนโง่เป็นมิตรการมีความเกลียดแค้นการกระทําเหล่านี้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 เช่นรับประทานขนมนมน้อยดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆแบบไม่มีเวลัล้ำมีเวลาทั้งๆที่ร่างกายก็มีอาหารพอเพียงมีน้ําดื่มพอเพียงอยู่แล้วแต่ก็ยังอดที่จะเสพลถของอาหารรถของเครื่องดื่มไม่ได้อันนี้ก็เป็นการไปในทางของ กิเลตัณหาไปในทางการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความอยากนี่แหละที่ดึงใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆดึงกลับมาเกิดเพื่อที่จะได้มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะใหม่เวลาที่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือของใจในการหารูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะตายไปหมดสภาพไป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 แห่รับประทานเพื่อร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าไปดื่มอย่าไปรับประทานเพื่อความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คืองานที่เราต้องทำควบคู่กับการทางานดูแลรักษาร่างกายของเราถ้าเราต้องเลือกระหว่างร่างกายกับจิตใจ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 ในการทำลายกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชานี้ให้หมดไปเครื่องมือนี้พระ อ, องค์ก็ทรงเรียกว่ามรมรนี้ที่พระ อ, องค์แสดงอย่างละเอียดก็มีอยู่แปดข้อด้วยกันถ้าพระ อ, องค์ทรงย่อลงมาก็เหลือสามข้อสามข้อก็มีสองแบบแบบของนักบวช กับแบบของคารวาสแต่ก็เป็นมรรคเหมือนกันมีครบแปดข้อหรือเก้าข้อในกรณีของคารวาสญาณโยมมรรคแบบก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปรความนําลึกชอบสัมมากรรมโตการกระทําชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิว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 สมาทิก็คือสัมมาสัสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิและปัญญาก็คือสมาทิทติสัมมาสังกปรความจริงจะแยกคําว่าสัมมาวายาโมออกมาจากศีลสมาธิปัญญาก็ได้ ความเพียรชอบนี้ก็คือเพียรในในไตสิกขานี่เองให้เพียรสร้างศีลให้เพียรสร้างสมาธิให้เพียรสร้างปัญญาถ้าส่งสอนคาวาะญาติโยมผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคอยทวงจิตใจอยู่คอยดึงจิตใจไม่ให้เล็ดลอดออกจากอํานาจของกิเลสตันหาอยู่ก็ท่งสอนให้ทําทาน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 ถ้ามีที่กรองตักก็จะไม่ตักโร่น้ําติดขึ้นมาด้วยส่วนที่อยู่อาศัยของนักบวชก็อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อนผาอยู่ตามถ้าอยู่ตามเรือนร้างพอแล้วแล้วเป็นที่ที่ดีกว่าอยู่ตามบ้านตามเมืองที่มีค้าราสกามีบ้านอันหรูหราอยู่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 พอไปอยู่ได้สักพักก็พอมีคนรู้ขึ้นมาก็ตามกปกติเพราะพระนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคาวว่าเป็นผู้ให้อาหารพระต้องมีที่ไปบินตาบาทถ้าไปบินบินตบาทอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดความสนิทสนมกับผู้ใส่บาตรแล้วก็เกิดการสนทนาปาษายกัน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 กลายเป็นพุทธังสารนังกระชามิกลายเป็นสังฆังสารนังกระชามิผู้ที่เผยแผ่ธรรมังสารนังกระชามิให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกก็ได้อาศัยพุทธังธรรมังสังฆังสารนังกระชามินี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่สร้างที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด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 และบรรลุถึงพระนิพพานได้นี่คือทางไปของสัตว์โลกมีอยู่สองทางสร้างบุญบา ร, รมีด้วยตนเองแล้วก็ไปตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเองซึ่งจะต้องใช้เวลานับเป็นกลับเป็นกันหรือถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ต้องสร้างบุญบา ร, รมีไปเรื่อยๆ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 จากกาันเพื่อไปพะนิพานหรือจากกันเพื่อไปเวียนว่ายตายเกิดก็มีการจากกันสองวิธีนี้เองถ้าจากแบบพระพุทธเจ้าก็จากไปเพื่อไปสร้างพานิพันถ้าจากแบบสัตว์โลกทั่วๆไปก็จากเพื่อไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือทางเลือกของพวกเรานานๆเราจะได้มีโอกาสเลือกทางนี้สักครั้งหนึ่ง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 ดลดมือไปอย่าคว้าน้ําแล้วอย่าเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดก็คือตายเพื่อกลับไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่เสียชาติเกิดก็ต้องตายเพื่อไปพัฒนิพานเท่านั้นหรืออย่างน้อยก็ไปขั้นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปเพราะจะต้องไปถึงพัฒนิพานอย่างแน่นอนเมื่อเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลา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 เพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุกปกปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสันิจตุสัพเหประเอ็ตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภะวัตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภะ อ ธ, าธาาจุต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณกิมจินกิมจินอยากถือศีลแปดในวันพระ แต่ติดเรื่องการทานอาหารก่อนเที่ยงเนื่องจากทำงานถ้าทานหลังเที่ยงจะได้หรือไม่คะผิดศีลหรือไม่คะได้ถ้าไม่ไม่ถ้ามันจาเป็นจริงๆก็มันต่างกันชั่วโมงนึงก็มไม่น่าจะมีปัญหาเพียงแต่ว่ามันอาจจะในสายตาของพวกคนที่เขาถือเข่งเขาก็อาจจะว่าผิดแต่ถ้าเรามองด้วยเหตุด้วยผลมันก็ชั่วโมงนึงมันก็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 รับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันได้อยู่คำถามต่อไปจากคุณกะนกพรภัยสาลอัศวเสนีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หลังที่ท่านสิ้นตันหาลาคะโทสะโมหะแล้วในภาวะชีวิตปกติของท่านจะเกิดอกุศลวิบากจิตได้ไหมคะ เช่นพระสาลีบุตรกระโดดข้ามคูน้ำพโมกคลานะถูกทุบตีจนกระดูกแหลกเหลวพระพุทธเจ้าทรงห่อพระโลหิตอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอเรื่องอะไรนะเมื่อกี้พูดถึงอะกุศลอะไรต่างๆก็ อ, นนอันนี้เป็นเรื่องของวิบากที่โดนที่ทำให้ถูกพระ ห, ห่อพระโลหิตถูกคนตามจองฆ่า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 มันคนละเรื่องกันการปล่อยนกปล่อยปลานี่เป็นการถ่ายชีวิตให้กับเขาถ่ายวัวถ่ายโคถ่ายหมูไทายเป็ดถไก่อันนี้เป็นการซื้อชีวิตหรือถ่ายชีวิตให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วนี่มันไม่ได้กเกี่ยวกันไม่เป็นบาปแต่ถ้าเราไปฆ่าสัตว์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 หมดคำถามจากทางว่าแล้วค่ะหลวงพ่อเออเนี่ยอยากไปตามร้านอาหารที่มีตู้ปลากำลังว่าอยู่ก็ชี้ตัวนี้สวยแล้วกันน่าจะอร่อยเือไปตามตามอาบอบนวดที่เขามีปลานั่งอยู่ในตู้แล้วเรา อ, อยากจะได้ปลาตัวนี้มาด้วย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 ถ้าเราอยากจะไปช่วยเขาก็เข้าไปแล้วก็เอาเงินให้เขาแล้วก็กลับบ้าน <laughs> หมดคำถามจากทางบ้านแล้วค่ะทางนี้ไม่มีใครอยากจะถามเลยอ่าอ่าอ่าไม่กล <laughs> ้าหานกล้าจะเป็นเดื <laughs> อนละค่ะดีมไม่เดือนอ่าขอ อนุญาตถามต่อจากคําถามของแม่ที่ฝากถามมาค่ะนั่คือพระอาจารย์เห็นลูกสาวสิบขวบนะคะอยากได้อยากให้คนนั้นรู้สึกอยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกว่าอ่าฝั่งพระอาจารย์พระอาจารย์พูดถึงกาวะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาคือจริงๆแล้วอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอุบายที่ให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือจริงๆแล้วเราควรจะหยุดที่ใจเราเพราะมันเป็นภวะตันหาของตัวเราอยากให้ลูก เป็นอย่างงั้นอยากให้ลูกจะเข้าใจอยากให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งพวกนี้ดีขึ้นค่ะคําถามเป็นยังไงยังไงคำถคือจริงๆแล้วเรามีอุบายที่จะให้เด็กสิบถั่วเข้าใจหรือจริงๆแล้วเป็นพี่เป็นที่ความเป็นแม่ที่ผิดเองอยากจะให้เขาเข้าใจเพราะว่าเป็นภาวะปัญหาของแม่เองควรจะหยุดที่ตัวแม่ค่ะให้เขาเข้าใจอะไรเข้าใจเรื่องของ การาามัดปัญหาภวะปัญหาวิภาวตปัญหาเหมือนกับอ ย, กอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปนู่นอยากไปนี่อย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากให้เขามีความอยากอยากให้เขาเข้าใจใช่ค่ะอยากให้เขาทันว่าเอออันเนี้ยถ้าอยากแล้วมันไม่ได้หนูก็หนูก็แบบหมุนหมีหนูก็ไม่สบายใจอะไรเงี้ยค่ะ<า>ก็เรามีหน้าที่สอนแค่นั้นเองเราไม่มีหน้าที่เข้าใจแทนเขาเราสอนกขาแล้วเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจก็อยู่ที่ภูมิปัญญาของเขา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 แต่พยายามอย่าใช้อารมณ์ออย่าไปถือว่าเราเป็นแม่เราพูดแล้วเขาจะต้องเชื่อเราเสมอไปอให้เขาเชื่อด้วยเหตุด้วยผลอย่าเชื่อเพราะว่าเราเป็นคนพูดเพราะถ้าเขาไม่เชื่อแล้วเราจะทุกข์ใจกลับน้มัสการพระอาจารย์ขออนุญาตขอโอกาสในการถามค่ะอ๋อปกติเวลาเราแผ่เมตตานะคะ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 ผู้รับต้องคือบุคคลหรืสัตว์ที่เรารเผชิญหน้ากันเวลาเจอใครเนี่ยเราถ้ายิ้มแย้มจจ่สใสทักทายเขานี่เราเรียกว่าเราแผ่เมตตาแล้วเรามีความปรารถนาดีกับเขาแเราก็ทักทายเขาสบายดีหรื อ, อสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรนี่เรียกว่าแผ่เมตตาหรือเวลาที่เขาทําให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเสียอกเสียใจเราก็ไม่ถือโทษโกรธเคือง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 อย่างเมื่อเบเจอกันตอเ น, นี้ล้วก็ทักทายกันถามสารทุกสุดดิบกัน เ, เดือดร้อนมีอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไป เ, เรียกว่าแผ่เมตตาเอาจะเข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ะขอกาดถามต่ อ, อาจากเรื่องเรื่องตาในในต้ที่เป็น <laughs> เป็นร้านอาหารลนะครับท <laughs> าน้าจารยอ สงสัยมีมีสองข้อครับข้อแรกคือถ้าเกิดไปร้านอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราเราไม่ได้คนสั่งคือไปทั้งกลุ่มนี่แหละไปด้วยกันแล้วมีเพื่อนสั่งแล้ ว, ลวเราทานด้วยกับไม่ทานเนี่ย อ, อบาปหรือกรรมในกระต่างกันไหมครับอยู่ที่เจตนาว่าเราอยากจะรับประทานมันหรือเปล่ารับประทานเราใช้เล่เลเล่เพรืบายให้เพื่อนสั่งแทนอย่างนี้ก็ยังบาปอยู่แต่ถ้าเราไปเพราะจําจํายอมเพราะว่าอยู่ในสังคมแล้วถุดจุดลากพาไป แล้วไปถึงเราก็ไม่ไปสั่งเขาจะใครจะสั่งใครจะกินอะไรก็ปล่อยเขาสั่งเข้าไปเอพอมาที่โต๊ะแล้วเราก็กินได้เพระมันตายแล้วครับแล้วก็อีกอีกอีกในนึงคือถ้าเกิดออบางครั้งไปเนี่ยแล้วเปร้านแล้วเราสั่งนี่อจะพยายามจะบอกเขาว่าขอตัวที่ตายแล้วก็ถาว่าก่อนมีของตายแล้วไหมอ่อแต่แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาเอาตายมาแล้วจริงๆหรือว่ า, าไปทําให้ตายเองอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วเอ่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 แต่ถ้าเราไปที่ตลาดแล้วถามว่าวันนี้มีไก่ไหมถ้าเขามีเชือดขายอยู่เราก็ซื้อมาอย่างนี้ไม่บ่าคือคือนะถ้ารู้ว่าเขาต้องไปฆ่ามาเพิ่มแต่อย่างเช่นสมมติเออ่เที่ยงจะไปทานข้าวล้วยสิเบเ็ดโงโทรไปบอกว่าจะเอาปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารทั่วไปอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเออก็ถ้าเรารู้ว่าเป็นร้านอาหารที่ปลาที่เขาซื้อมามันสายอยู่แล้วไม่ได้นอนอยู่ไม่ได้อยู่ในตู้อะไรอย่างเงี้อยู่ในอยู่ในตู้เย็นแล้วแค่เย็นแล้ว ถ้าเป็นของตายแล้วคือถ้าเราไม่รู้สียอย่างแล้วเราไม่มีเจตนาที่อยากจะกินของเป็นเๆโดยที่ให้เขาฆ่าเพื่อเรานี่มันไม่บาปแล้วนั้นหลักก็คืออยู่ที่ใจเราว่าว่ามันเป็นอกุศลหรือเปล่าอก็ใจเรามีเจตนาอยากจะให้เขาตายหรือเปล่าครับขอขออนุ ญ, ญาตถามอีกหนึ่งคำถามนะค ะ, ะคือ